เมือ่อสองสามปีก่อนมีหนุม่มชาวอินเดียคนหนึ่งนะอายุประมาณยี่สิบเจ็ดปีประกาศว่าเนี่ยจะฟ้องพ่อฟ้องแม่พ่อหาอะไรนะพ่อหาว่าทำให้เขาเกิดมาในโลกนี้โดยที่เขาไม่ยินยอมแบบนี้ก็มีนะเราเคยได้ยินมาแล้วนะฟ้องพ่อฟอ้ อ, ฟองแม่เพื่อเลี้ยงข้าเพื่อเรียกข้าเลี้ยงดูแต่นี่มาแปลกนะฟ้องพ่อฟ้องแม่เพราะว่าทำให้เขาเกิดมา โดยที่เขาไม่ยินยอมเราก็เรียกค่าเสียหายนะพ่อบอกว่าพอเขาเกิดมาแล้วนี่นะมันต้องเจอความทุกข์หลายอย่างเจอความทุกจากการเรียนจากการทำงานเจอกับสภาพปัญหาสารพัดแม้กระทั่งรถติดเจอความผิดหวังทำให้เขาเครียดอไอความทุกแบบนี้นี่พ่อแม่ต้องชดใช้นะ <c oughs> ก็เลยประกาศว่าจะฟ้องศาล เรียกค่าเสียหายทดเชยกับความทุกข์นะที่ได้รับนะในชีวิตนีนะ้อันนี้ก็ดูมีเหตุมีผลนะแต่มันก็เป็นเหตุผลที่เรียกว่าไม่ค่อยครบถ้วนสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าในขณะที่เขาบอกว่าการเกิดมาทำให้เขาเจอความทุกข์แต่ความทุกข์ส่วนใหญ่นะ มันก็เกิดจากการวางจิตวางใจของเขาที่ไม่ถูกต้องด้วยคนที่เจอรถติดแต่เขาไม่ทุกข์เขาไม่เครียด ก, ก็มีคนที่เจองานการที่ล้มเหลวนะแต่เขาไม่ได้เป็นทุกข์ก็มีนะคือไปโทษว่าไอ้ความทุกข์ทั้งมวลที่ได้รับนะในชีวิตนี้เนี่ย เป็นพ่อพ่อแม่มาทำให้เกิดมาเนี่ยมันมันยังไม่ถูกอะ่ะเหมือนกับไปโทษคนอื่นนะแทนที่จะมาดูใจของตัวเองว่าเรามีส่วนทําให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเองหรือเปล่าแม้แต่ความเจ็บป่วยนะมนก็ต้องมาดูว่าเนี่ยที่เจ็บป่วยเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะเกิดมาในโลกนี้ เท่านั้นนะแต่เป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ถูกต้องไม่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก็ได้นะจะไปโทษว่าเป็นพ่อพ่อแม่ทำให้เกิดมาเราก็เลยต้องร่มป่วยในแบบนี้เหมือนกับว่าไม่รับผิดชอบตัวเองด้วยเพราะว่าสุขหรือทุกเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเองเนะโดยเพราะการวางใจมันไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ทาให้เกิดมาในโลกนี้แล้วจะต้องทุก เสมอไปในความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเองนะไม่รู้จักตัวเองหรือว่าวางจิตวางใจไม่ถูกต้องนะก็ได้นะแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญด้วยนั่นต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะและอีกประการนึ่งคือว่าเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เจอแต่ทุกข์นะมันก็มีสุขด้วยนะ เวลาเขามีความสุขไม่ว่าจากจากการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นหรือความสุขจากการเอาใจใส่นะของพ่อแม่เนี่ยในพวกนี้นี่เขาก็ต้องมองด้วยนะต้องมองเห็นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องชดใช้ ความทุกข์ของข้อเป็นพ่อแม่เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องชดใช้แ ล, แล้วความสุข น, นะเมื่อตัวมีความสุขในชีวิตนี้เนี่ยก็ต้องอ่ให้รางวัลนะกับพ่อแม่ด้วยขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เราได้มีความสุขในชีวิตนี้ก็ต้องจ่ายเงินให้พ่อแม่นะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าเลี้ยงดูนะ ซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหน้าที่แต่ว่าการที่เขามองเห็นแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเนี่ยมันเป็นการมองที่คับแคบนะถ้ามองเห็นว่าตัวเองก็มีความสุขเป็นความสุขที่เกิดจาก การดูแลใจใสของพ่อแม่หรือการที่พ่อแม่ส่งเสียให้มีการศึกษาหรือความสุขจากการที่มีชีวิตที่สะดวกสบายเพราะพ่อแม่เป็นคนมีฐานะเงี้ยอันนี้ก็ต้องจ่ายเงินคืนให้พ่อแม่ด้วยแต่ว่าเขาไม่มองตรงนี้นะส่วนพ่อแม่นี่ก็ดีนะพ่อแม่ก็ไม่ได้โกรธนะ พ่อแม่ก็บอกเนี่ยมีแม่เนี่ยม้อยแม่เขาก็บอกเนี่ยเขาก็ชื่นชมนะที่ลูกเนี่ยรู้จักนะหาทางปั่นป่วนหรือก่อกวนพ่อแม่ด้วยวิธีนี้พราเขารู้ว่าพ่อแม่นี่เป็นทนายความนะพ่อแม่เป็นทนายความฝีมือดีก็อยากจะหาเรื่องกวนพ่อแม่นะฟ้องพ่อแม่ซะเลยแล้วแม่เขาก็อธิบายนะว่าเนี่ย ถ้าลูกนะสามารถอธิบายได้ว่าแม่เนี่ยทำอย่างไรเนี่ยจึงจะได้รับความยินยอมจากลูกก่อนที่ลูกจะเกิดมาถ้าลูกมีคำอธิบายที่ดีนะแม่ก็พร้อมรับผิดน ะ, ะแม่เขาก็ฉลาดนะไม่ได้โกรธลูกนะเห็นเป็นเรื่องขำไปแล้วก็ ตอกกลับไปโดยในว่าเนี่ยถ้าลูกเนี่ยสามารถจะหาเหตุผลมาอธิบายได้ว่าทํำยังไงเนี่ยพ่อแม่ถึงจะได้รับคำยินยอมจากลูกเพื่อจะให้ลูกได้เกิดมาถ้ามีคามําอธิบายที่ดีแม่ก็รับผิดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่มันเกิดขึ้นได้นะในโลกยุคนี้มันจะมีอะไรแปลกๆเพราะคนเรานี่คิดอะไรได้ ประหลาดประจ ร, จริงๆทางพุทธศาสนาเนี่นะการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันถือว่าเป็นโชคันประเสริฐนะเพราะว่ามนุษย์นี่มีศักยภาพซึ่งหลายอย่างเนี่ยก็ประเสริฐกว่าเทวดาด้วยเทวดานี่เวลาจะจุดตินะจุดติแปลว่าดับนะไม่ได้แปลว่าเกิดเวลาเพื่อนเทวดาจะจุดติเนี่ยก็ ถ้าจุติมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะชื่นชมสารเสริญหรือถ้าจุติเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเนี่ยก็ขอให้วอวยพรให้ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ประเสริฐหรือเหนือกว่าเทวดารวมทั้งที่สำคัญที่สุดนะั่คือความสามารถในการพ้นทุกข์อันนี้คือผลนะที่พระพุทธสัตว์เนี่ย ก่อนจะมาตัดสู่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็สถิตอยูด่ดะสวรรค์นะต้องจุดติมาเกิดมาเป็นมนุษย์นะจุติมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นบุตรของพระเจ้าสุโธธนะและก็พนางสริมหมามายาเพราะว่าภพภูมิของมนุษย์นี่มันเกื้อกูลนะต่อการบรรเป็นเพียรจงกนกระทั่งได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่า ได้รู้ธรรมจกนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หรืออย่างตำตำนะก็เป็นพระอริยะบุคคลเพราะมนุษย์เรานี้มีศักยภาพอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยอริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพประจำตัวของทุกคนนะทุกคนนี่ก็ก็หมายถึงมนุษย์ันะเพราะนั้นเนี่ยนะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะถือว่าเป็นโชคและที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะว่าพ่อแม่ ถึงแมว่าพ่อแม่จะให้เราเกิดมาโดยที่เราไม่ได้ยินยอมแต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีชีวิตนี้เราเลือกได้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเกิดมาทําไมอาจจะตอบได้ยากเพราะเราไม่ได้เป็นคนทําให้เกิดมาแต่เราสามารถจะหาคําตอบได้ ว, ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอยู่ไปทําไมอันนี้เรากําหนดได้แล้วถ้าเรากําหนดให้ดีนะมันก็ สามารถจะ <c oughs> ทำให้เราพ้นทุกได้นะเราเจอความผิดพลาดเจอความไม่สมหวังต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นว่าเราต้องทุกข์เสมอไปนะถ้าเรารู้จักวางใจพัฒนาตนให้เกิดปัญญาถ้าเรารู้ว่าเกิดมาแล้วต้องเจอความพัดพลากจากของรักต้องเจอความเจ็บป่วยอ่ะเราก็ฝึกใจให้มีสติมีปัญญาก็ช่วยทาให สามารถจนอยู่เหนือความทุกข์ได้อันนี้เราเลือกได้เราทำได้นะ